กิดออสอบรบสนวนที่เราสนทนกันปรนเภทบทเพลงได้ย่าก็ได้รรชี้ไดชี้สำคัญนะวีาสารสสำคัญของเวลาสาระ ส, มม ส, สำคัญของการใช้ชีวิต สารสสำคัญของเหตุของความทุกข์และก็สารสสำคัญของการเการปฏิบัติเพื่อให้ทุจับถุกตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ได้ก็ได้ม้อที่ไว้ใน า, า, านองสุสมุนที่เราสวดกัน ทุกวันทุกวันทั้นเชาทั้งวันเยมีอันหนึ่งบางทก็เป็นเที่เหมือนกับว่าพบอยู่เป็นประจำเหตุของทุกอันหนึ่งก็คือหาักฐาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์หนึ่อย่างนี้ก็คึอเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราพระเจ้าเองก็ให้ไว้อัน ล่าธนาสิ่งใดแม้ได no <es>, ้ส네ิ่งนั้นก็เป็นทุกข์รักชาติสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์โศกกับสิ่ไม่เป็นที่รักที่ทันใจก็เป็นทุกข์สอย่างนี้ก็ถ้าโดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าส่วนที่เป็นหลักหนักน่นก็พบอยู่เป็นประจํากับชีวิตตัวเองนะพราเราอาจจะเราเป็นเหตุที่เราได้ก็คืออยู่แบบแบบ ไม่ขาดที่หลักของฟาเหมือนกับนึกอยากอยากได้นั่งอยากได้เนี่ยใช่ไหมฮะอยากให้เป็นปัญญาที่เราต้องการตรงนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่ที่เป็นหลักๆที่ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองประจำวันไปชีว no ิตประจาวันไปเลยราบหนาสิ่งใดใช่ไหมฮะสิ่งนั huh. <to> ้น <zenia> ก็เป็นทุกเวลาที่ฟ้าร้นา เมือนเวลาบางเรื่องราวจากผู้คนมาที่วัดเวลาที่มีปัญหาก็ปัญหาเราก็คิดว่าอันต้นได้แต่ตรงนี้เมื่อบางช่วงสองปีก็มีคุ้ดูมีอายุคนหนึ่งก็เหมือนจะบอกว่าไปมาทานแล้วสามสิบปีประเดี๋ยวมาสามสิบปีแล้วก็ปรากว่าคุ้ดูมก็ เหมือนกัก็อยากที่จะบรลุธรรมความอยากที่จะรรุธาของคุณุงนก็ทาให้็น30ปีคุณลุก็ไปตะเวนหาครูบาอาจารย์ต่างๆมาครูบาอาจารย์นะไปตะเวนหาลก็เปเก็บเหมือนกับเปเก็บสารสำคัญของรุครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านนี้บอกอะไรน้นท่านนั้นอกร่องนี้อย่างน้นะ จำได้เยมากเลยจได้เมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็คือบอก่าท้ายที่สุดเนี่ยก็มาประทับใจกับหลวงพ่องเขียนนะประทับใจกับการปฏิบัติที่ในนหนังสืออ่นหนังสืออาจจะกหลวงพ่อเฉลิมพระนิยมอ่าใกล้ๆว่าส่วที่ท่านิดต่อมาก็เป็นส้วที่ปฏิบัติหลวงพ่อเฉลิมก็ ลาสังขารแล้วนะท่านก็เนินเสียดายเ่อนเสียดายแต่ว่าท่าก็มเป็นไรแบบว่าข้อความสาคัญที่หลวอคุเจดีได้เกว่าได้มีอยู่ในหนังสือที่อ่านพบเนี่ยก็คือบอกบอกว่าให้อาการเคลื่อนไานาะเนี่ยการสร้างจังหวะสีจังหวะเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นนิ่งแล้วก็เหมือนกับ ที่ท้ารก็เลยมีควมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนกับว่าการสับสนหาของตัวเองก็น่าจะจบลงที่บทความที่เขียนนี้เองแต่ว่าตลอดว่าพองคุยๆกันคุยกันไปเป็นมาก็เกิดว่ามันมีคำถามว่ามันมีคำถามที่เกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากความต้องการที่จะหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด แล้วก็หาวิธีการปฏิบัติที่ที่เหมือนกับว่าถูกต้องที่สุดซึ่งทายที่สุดเนี่ยเราก็พบว่าคุยๆไป่ยปรากฏว่าคุณลุงก็ยังไม่ลงมือปฏิบัติเนอะเพราะมากเกินจะยังหาได้เจอยังหาสาระสำคัญของการปฏิบัติไม่เจอแล้วก็ยังเหมืกับว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาที่มาตราในตอนช่วงโงการก็ยังไม่ว่าใครมาก่อนอย่างเงั้ย คือก <c ười> ็บอกว่าพวกคุณลุนก็อยากที่จะให้วิธีการเป็นแบที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดหนึ่งวิธีการอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติก็ากฏว่าคุณลุงก็ได้ได้เหมือนกับไอ้ปรารถนาอันนี้ก็ทําให้คุณลุงน่ะแสวงหาแล้วก็ที่บอกว่าจบลงไม่ไม่ไม่มั่นใจหรือว่าจบลงหรือเปล่าแบบเนี้ยนะฮะคือคือเ เราเราเราเราทุกคนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สรุปได้สรุปเอาไว้ว่าทุกข์ถึงใจแล้วเนต่ยมันกมจะสามสายเกล็ดใช่ไหมครัสามสายเกล็ดตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถามเราลองมองดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นทุกอยางนะครับตรงนี้นะเป็นเป็นเหตุที่หลวงพ่อเทียนเองนะก็บอกว่าทุกทุกเนี่ยต้องเกิดของทุกเนี่ย หรือพิจาาความคิดในหนักในนั้นวะ่าต้ อ, องเขียนก็ผูดทำเรานี้หนระือว่าเวลาที่เราเปรียบเทีกันเนี่รูปแบบก็ให้ถือเป็นก็เรียกวนะ่านนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหาได้เอจากรูปแบบอนะไรแต่ประนด็นคือเมื่อสร้า ง, างความเคลื่นะอนไหวขึ้นมาก็ให้ตรงที่ความรู้สึกตัวทันทีอย่ง้นยะังนะ่จนะไปนะนะนะ ยุ่งยากหรือว่าจะเป็นท่านั้นหรือท่านนี้อะไรบแต่ว่าให้อาศัยอาศัยการเคลื่อนไหวตรงนี้ตรงก็ไปสู่ความรู้สึกตัวที่คําว่าตรงไปสู่ความรู้สึกตัวตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้เราได้แบบว่าอาศัยสติตัวนี้ดูกายเป็นด้วยแล้วก็ดูใจดูการเคลื่อนไหวเปด้วยแล้วก็ดูใจที่ิดนี้เป็นด้วยตรงนี้แหละแล้วก็เห็นว่ามันจะได้เห็นคว่า เมื่อเราตั้งใจไปฏิยัติเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะในขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่นึกมาเป็นความคิดที่เป็นมันนักคิดขึ้นมาแล้วเข้ามาใช้ความละคิดขึ้นแล้วก็ตัวมเวลาที่เป็นตัวเปลี่ยนสคัญที่ว่าที่เป็นตัวความคิดที่ทำให้เป็นตั้งใจแล้วเราไม่ต้องจะแทรกเข้ามาในความตั้งใจต่างๆเราบัาคัสมรรนะ นั่นเป็นตั้หาที่เป็นตัวที่ความเฉด่อมาให้เราแต่การรู้สึกรู้สึกกับการที่เคลื่อนไหวรู้สึกกับใจที่เผลอไปคิดตรงนี้อันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอารปิบาตที่หลวงพ่อเทียนเอาดีความเฉ็ดีให้ไวให้ไวแต่ละนั่นซึ่งเนี่ยก็ถ้าโดยส่วนตัวต้องไม่ไม่สงสัยนะเพราะว่า ก่อนหน้าที่จะมาเจือว่าเหตุนี้ก็ไม่เกิดในตัวครูอาจารย์ท่านใดมาก่อนเรดฉะนั้นคือตอนนี้พรอมเหมือนกับว่าพอเจอก็เขียนนะก็มีความรู้สึกว่าการปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นหลักเนาะที่สามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมกับชีวิตประจำวันไปแล้วก็การปฏิบัติตรงนี่ก็เป็นสิ่งที่เดียกว่าทําให้เราได้ค่อยๆไป่ค่อยได้เห็นหลายละ่อียดต่าง ตองแบบเหมือนกับว่าตรงที่เราเหมนกับเริ่มต้นเรื่องความรู้สึกตัวในเรื่องต้องการที่เรามีสติความรูการความสนใจไปมันก็เหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆค่อยๆเริ่มเห็นพ่าอืมเราก็แรกๆก็อาจจะเห็นเห็นบ้างนะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วก็ความนานๆไปนานๆไป มัก็เหมือนกับความสติเราก็ได้ชัดเจนขึ้นได้ไวขึ้นป้องไวขึ้นการที่เห็นไอ้เนี่ยการนานิกาก็ก็ได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นความเคลื่อนไหวของเราที่เป็นความเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าทุกความเคลื่อนไหวมันก็จะมีสิ่งที่เร้ยได้ว่าจเราเข้าเปตัวขับการเคลื่อนไหวอยู่นั่นก็คือตรงนี้เนี่ย การที่เราจะปฏิบัติไปแล้วเราก็ได้เหมือนกับว่าได้เห็นเมื่อมีการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นใจทิศทิศนึงบางทีเราทําเรื่องเดียวกันแต่ว่าใจมัได้เหมือนกันบางทีใจเป็นแบบนั้นบางทีใจเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้มันก็ทำให้เห็นมันก็ทำให้เห็นเรื่องราแบบเนี้ยที่ผ่านเขมาในชีวิตประจำวเราทํางานทุกวันทำมาเหมือนกัน ยิอยู่ที่มัดเบางทีในสิ่งที่ต้องความแลอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของเงินกับเรื่องของงานก่อสร้างที่มัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางมาเราก็ทำในเรื่องความสบายใจบางมาเราก็ทําเรื่องเดียวกันนี่ยด้วยความที่แบบว่าเรื่องความไม่สบายใจบางมาเราก็ทําเรื่องความกลัวกลัวว่แบบว่างานที่เราทําอะไรชาว่าเราทาถูกไม่ถูกเดินแต่งานหนึ่ง จริงๆหมันทอที่พูดงนี้กไม่ใช่เป็เรื่องเป็นแต่ละัแต่ละวันแต่เป็นแต่ละขนาดเป็นแต่ละแต่ละขนาะที่เราเข้าไปเจ็ของแม้เือเดียวกันยใจเราก็ตื่นไปเป็นหน้าที่อย่างนี้เมื่อเข้าไปจูะเข้ากับเรื่องราวต่างๆตรนี้ก็ทำให้เหมือนกับว่าเออเนี่นะแต่ว่าการแบบทำกาที่เหมือนกับว่าเราได้หาหััอย่างที่ คอยรู้สึกตรงไปเฉยๆไม่ต้องเนี่ยฉะนั้นคอยรู้สึกตรงไปไปรู้สึกตรงนรู้สึกการที่เคลื่อนไหวไปเหยียดใจเกิดวิจิตตกากังนะเยียดใจกำกังการเคลื่อนหวเข้าถึงกับพ่งทําไปมาทำไปมาทำนปมาความให้คลาวว่าเราก็ได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจากการที่เรียกว่าคอยดูการที่เคลื่อนไหวไปเราก็เห็นรายลเห็นดมากขึ้น ผมว่าท่ there, aan, ียก็จะบอกบอกว่าอย่าเพิหาอะไรที่เกี่ยวกัความคิดอย่าเพิ่มปหาอะไรี่เกียวความคิดตอนนั่นคือการที่ทำจะเป็นปัญหาอะไรีกยความิดแต่ละอย่งก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับวถูกความชิดนีหนักดูไปั่นตรงนี้ก็เหมือนกับความที่เชื่อหรขอไม่เชื่อก็เหมือนกับวามันตัอิมับไปก็ด้วยด้วยการที่เหมือนกับ ไม่สงสารไม่สงสารในฝัดสอบของเราไม่มีการสอบของครูมาชั้นอื่นเข้ามาทําให้เราต้องตรวจสอบไม่ให้อันนี้ถูกหรือไม่ถูกยี่งถ้าพี่เจนบอกบอกน้องบอ ก, บอ ก, บอกว่าเวลาปฏิบัติเนีออย่ยเราจเอาเหตุเองผลนะใช่ไหมครับยากเห็นเอาผมอยาวถูกอย่าเอาผิดเนี่ ย, ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็ได้เห็นมากว่าให้การที่เหมือนกับพอ่อแมาที่เราปฏิบัติการ การที่เราความรู้สึกตัวเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ไม่รู้สึกตัวก็คือเราไปคิดหาเหตุเาผมแล้วก็บางครั้งที่เราเไปคิดหาเหตุเราผมเนี่ยเราก็เลยรู้บว่าเอ้นี่คือสิ่งที่เราคิดหาคำตออีกแบบเนี่ยเราได้สนุกเนการในเรื่องของการคิดหาเหตุเาผมพอนึกถึงคำที่หลวงพ่อเตือนมาไงเขาบอกว่าเอาเหตุเอาผลอ่ะเราก็ตั้งตัวได้ทีกลับู้สึกตัวได้ทีได้ไหมครับ พอเราไปแล้วมันถูกมันผิดยังไงอย่างเดียวตามนานๆเนี่ยมันก็หลไปอยู่ในความคิดตรงนั้นีเลงจริงๆนะหลวงพ่อเองก็จะบอกอยู่เสมอๆว่าสิ่งที่หลวพพูดก็คือสิ่งที่หลพ่อทำนั้นนั่คือตรงนี้ประสบการณ์ที่หลวงพ่อมีหลวงพก็จะข่ายทอดเอาไว้เหมือนกับสิ่งที่หลวงข้อเคยทำผิดหลวงข้อก็จะบอกว่าหลวงพ่ไปอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยหลวงพก็บอกเาไว้นั้นนันคือผลงานที่ ปฏิบัติเนยตามยาทานก่อนแล้วเขาก็ต้องเสเราไ็จะต้องมาเหมือนกับว่าท่านก็ปูฐานเอาวบอกบอกเราเอาไว้เรีรแล้วเพียงแต่ว่าตอนที่เราทํา่ะเราหลงอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งหพอเองก็ทมากจะบอกเป็นคําซึ่งสั้นๆระวังหลงซึ่งก็เป็นคําสั่งหลงพ่ก็จะเป็นคําสอนที่ ทีไม่มั่นแบบาโดยส่วนตัวด้นองถือหลงตอมั่งโดยน้าๆหลงต้อได้บอกขำสั้นๆอะไรมอนก็เป็นแนวทางใี่เราได้ต้องกลับทำแบบนี้แบบยิ่งยากเลยเลยไม่ยิ่งยากเลยเพราะว่านั่นคือเป็นมาไกลใช่มี่ในเรื่องการิอกเพ่าดเจ้าเนี่ยก็บอกกันมาแต่แรกอย่างเงี้นะแบบไหนที่เรองมุเพเจ้าอย่างเงีเพรามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับ บาทีหลวงพ่อได้จะบอกอะไรว่าถ้าทําไปไม่เกิดปวดหัวปวดหัวขึ้นมาอะไรเยอะนถ้าดูสุดโต่งจะไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยแล้วาปฏิบัติไปก็เพี้ยแต่ว่าต้องเห็นเห็นคนปฏิบัติคนอื่นๆปฏิบัติไปแล้วก็เกิดเกิดอาการที่เรียกว่าเครียดปวดหัวก็มีเคยเห็นอยู่เคยเห็นนี่เป็นประจำตั้งแต่แบบเรีว่าปฏิบัติกับหลวงอมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ ซจริงๆแล้วหลวงพ่อก็ได้เตือนใตราบเลาเรื่อน้ว่าเนี่ยแบบว่านะคมณจริงความจำเกินไปนะทเล่นๆนแต่เอาจริงๆนะทาจริงๆอย่าเงี้หรือทำไปยิ้มไปนี่ยอ่างเยิได้น้องดูอยงเงี้ยซึ่งเราเอาเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยเราไม่จะพบว่าเวลาที่ไหนนเวลาที่เราคอสังเกตสังเกตทําเป็นไปของกายเนี่ยในเวลาที่เรานัปฏิบต เห็นเหตุการของการบางทีกายเราก็จะเมนกับเคยอ้างไม่อยู่อย่างเนาะอไปสักครั้งนึงสักห้านทีสิทีหรืออะไรยังไงก็ไม่ได้ดูเวลานะจึงหมาว่าออไปสักครั้งนึงได้สิ่งดีเขาเรียกว่าเราเคยอ้างไว่อยู่แต่ไร้จะเป็นหนาเป็นหลังเป็นใบหน้าก็ดีนะมันก็เป็นกับไปให้เราได้เหม่อาพอกับาบางทีก็นึกถึงคําลวงพ่อหลว่อทีกว่าตั้งมาตั้งช้า กานใหมั้งหลายตั้งหลายขึ้นมายิ้มเล็กน้อยขึ้นมาเนี่ยภาวนาที่เราทำนั้นทีเนี่ยเราก็จะที่เห็นว่าเออจิตมันก็ตื่นขึ้นมาจิตมันก็ตื่นขึ้นมาภาวนาที่เรายิ้ให้กับตัวเองทีเนี่ยจิตที่มันเคยเห็นกับว่าอาจจะไม่ชัดเจนอยู่อาจจะโมโหรืออะไรมันก็สั่งขึ้นมาเนี้ยตรงนี้ซึ่งก็ในความรู้สึก่านี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกัน สิที่ผมเพิ่บอกเข้ไปเนี่ยเขราไปหาที่เรามาคอสังเกตมาคอดูมาคอยดูเหมือนแต่ว่าในขณะที่เราจะได้แบในขณะที่เราจะได้แบบตรงนี้เองเนี่ยก็เหมือนกับมันก็ทําให้เราได้มองเห็นบางทีก็ได้นไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าอืมนี่นะคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นใจรักเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้บางทีเราไม่เห็นนะว่าดูนี้บางทีอันนี้นะมันเป็นความเป็นผู้ เราตั้งท่าให้อย่างนี้เนี่ยชไเราตั้งไปไปสักท่านึงมันก็จะไหลไปสู่ความครชิที่มันดีอะไรย่างง้ยอย่างโดยท่าทางเราอย่างท่าทางของการนั่งเนี่ยบางทีก็แต่ว่าพลานั่งไปสักท่าหนึ่งไม่รูคนอื่นไปหรือเปล่าก็แต่ว่าบางทีมันก็หลังแล้วมันจะคล้องหรือเปล่านะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เหมือนกีว่มก็ไม่อดอันจ่ายที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็หายไปไหลไวเองของมันถ้าเราไม่คอยระวังเนี่ฉะนั้นมันกาจะปล่อยให้เหมือนกับว่าการปฏิยาของเราเนี่ยก็อาจจะสู่ความเิชีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับความไม่าที่เป็นแบบนั้นเนี่ยหึยเนาะแบบว่าได้ความทุกข์เนี่แว่าหน่าการนเป็นทุกข์มันทนอยู่ทนอยู่ไม่ได้ เพราะว่อยู่ไม่ได้เราตั้งมันไม่ได้ท่าอย่างนี้นาะจเนีมันก็มันก็ไหลไปเปลี่ยนท่าไปสู่ความชินของนั้นเราก็ต้องคอยตากคอยเปียนอย่างเงี้ยตวงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนแกะพอเวลาปฏิบักันเราก็จะได้เห็นเหมือนกับคําสอนของพระเจ้าบ้างคําสอนของครูอาจารย์บ้างคำกดให้เราเห็นมากดให้เราเห็นในขณะที่เราก็สร้างจังหวะไปบ้างเดินจงกระงไปบ้างอะไรเนี้ย บทีบางันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าคนทีบางัก็เกิดอาการที่เรียกว่าหลยหลยอย่างนะเรามาไปชุ้งโดยนักหมหรือแมแ่ใหม่ก็ไม่รู้เลยเบื่อก็เบื่อแลุงซ่าก็ความช่นใจแยแยกหมดนะเดี๋่วด้วยเบื่อด้วยฟุ้งซ่านด้วยมาโอ้โหแบบว่าอะไรกันนี้จะเอาอะไรกันวันนี้ เขาพยายามที่จะทำตัวใหม่แล้วกองถตัมาตัวใหม่่ได้น้อยมเียอกแล้วมันก้าแรงมากก็จำใสมาอีกเดี๋ยวเรไใอีกแล้วเ็นจะต่านนาะตรนี้มันก็ทำให้เราแก มาเคยดีนะครมาอาจารย์กเคยบอกเอาไว้มาทุกวันใหญ่คิดว่ามันจะเกิดกันไม่ใช่ว่าเราจะเดินขึ้นบัไดอยู่ทุกวันมันจะขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ไม่ใช่ั่นอะไรอย่างนี้นเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในระหว่างการปฏิบัติเราเน่ยจะรับได้ไหมถ้าเรารับได้นกับสิ่งตนานต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติเนี่ย อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวกับงกับจิตใจเราต้นต้นอะไรนะแต่เวลาที่เราทาเรื่องแบบนี้นะเวลาที่เหมือนกับวาเราเข้าไปสู่การงานประจำวันเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนอะไรก็ตามที่เราไม่คาดต้องไปเกิดขึ้นเชี่ยเรารับตรงนั้นได้มไหยคนที่เคยต้อไว้ใจได้เนี่ยกลายเป็นข้างไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็ การปฎิหาระการปริหารในรูปแบบเนี่ยก็กับการที่เราเหมือนกับว่าเราเป็นใช้รึเปล่กับงานอาชารประจำวันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าโดยส่วนตัก็มองว่ากรรมฐานอย่างหลวงพ่อเทียนหรือว่าําเขียนที่ให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวทนเองก็ได้เหมือนกับมันจะตั้งใจแต่แรนะว่ากรรมฐานเนี่ยจะเป็นกรรมฐานที่เราเนี่ย เอาไปใช้นะกับชีวิตประจำวันเนี่ยได้เลยนะแล้วก็พบวา่ามันก็เราก็เอาไปลอ่พิพจารณาในรายละเอียดต่างๆนะของชีวิตประจำวันเท่าที่เราคิดขึ้นได้นะลืมไปอันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีอั น, นึอื่นๆผานเข้ามาการแต่งฟันก็ดีการขบฉันก็ดีตรงนี้เรากเป็นสิ่งที่เมื่อการเครื่องไหมนะ่เนี่ย มันก็ทําให้เราได้เห็นนะใจที่คิดนึกฝไนต่าง ๆ, ๆ, ๆนานาเยอะแยะไปหมดซึ่งตรงนั้นเองนะอก็พบว่าถ้าเกิดมาเราไปขึ้นไปติดเนะป็นติดอยู่กับความคิดอยู่ตรงนนะไห น, น, น, น, นเนี่ยไอ้ปัจจุบันขณะเราก็ลืมไปเยหมือนกับว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วนะเราต้อไปคิดถึงนะสิ่งที่ล่วงไปแล้วคำว่าด้วยอะไรก็คือด้วยความชอบหรือความไม่ชอบตา่างๆ เอ้าถ้าเราใ จ, จเราเติดไปตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมไอสิ่งที่เป็นปัจจุบันอตอนนี้เนี่ยลราบรลุไปคิดอะเราก็ไม่รู้อีกแล้วอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเวลาปฏิบัตินะถ้าเราเลยส่งตัวเองก็มองรับรู้ที่ตรงนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก้ค่อยๆเหมือนกับการับรู้รับสารางแล้ว การที่อาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวปใจจัยบนไฟลัมรู้เมื่อการเคลื่อนไหวปัจจัยบนไฟลัมลูมันก็ทำให้เราได้เห็นได้ทำเมื่อก่อนที่ําว่าปัจจุบันขนาดคืออะไรยังไงอะย่างเงี้ยบางทีเราก็เข้าใจในจํานวนหนึงว่าเป็นปัจจุบันขนาดคืออย่างนี้อย่าแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยในการที่ผมบอกว่าความนั้นควานี้เนี่ยพอเวลาที่เราเมื่อการปฏิบัติไปเนี่ย แลาก็จะเห็นเราว่าอู้นี่ใจรู้สึกยังไงกับอำนาจอำนานมีตนะตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราต้งไม่ได้ท่องไมากไปกว่าการที่เราทำตามตที่ผู้าัาคบบอกระอบหายขึ้นใหม่เนี่ย kh นะเอาใจเคอยเอาตัูเมื kh นะ่อหายขึ้นใหม่เนี่ยเอาใจเราคอยอาตตรงนี้เนะี่ยเราจะรู้ทิศทางก็ดีรู้ทิจารก็ดีตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เห่นแหบ ทุกอย่างก็มีพร้อมให้เราคอยที่จะมีพ้อมให้เราคอยที่จะรู้เพ่องแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้ตรงนี้ก็คือให้เราได้ถามสิ่งที่เราได้ว่าการลองไปคิดด้วยเนะเพระาะว่ารู้ที่สำคัญก็คือในขณะที่เราคุเคยกับการที่เราคิดเนาวหาคาตอบ่ตรงนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าในการปฏิบัติเนี่ยก็หมายถึงว่า นี่เราจะเรีนรู้ไหมก็เราจะเรียนรู้เป็นอยู่เนี่ยนะ<ม>ตรงนี้นเป็นสิ่งที่ก็เป็นการปฏิบั ต, รตริพวกเราที่อยู่ตรงนี้กับคุ้นเคยกันมาปฏิบ<ม>ัติกันมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกอ็อยากยืนยันครับยันไปกัจะยืนยันก็จะพูดก็กด้วยความมั่นใจในทาการปฏิบัติ แบบแบบตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเกษมเองเขาบอกนะบอกว่าเราดูก่อนเนาะอย่เพิ่งเชื่อเราดูก่อนแต่ว่าขั้นตนเดียวกันเนี่ยการลองตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเกษมเขาบอกว่าจะลองสเต็ปสัปดให้ลองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยลองทําให้ชํานาญก่อนเนาะหาอย่างเดียวเนี่ยหาให้เถึงก่อนเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องตรงเนี้ยก็ถ้าโดยสูญตัวแล้วเนี่ย ส่วนของก็เรว่าจุดหมายปลายทางเนียที่ผมวงพ่เฉลิเคยวามไว้ว่าให้เราเนี่ยได้ลองสนใจในความริ้ทุกเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วอ่นีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายปลายทางแบบนี้อยู่เนี่ยก็ให้รอได้เหมือนแบบว่าลองปฏบัติแบบแบบนแบบการเคลื่อนไหวตรงนี้นะตรงนี้ลองปฏิบัติไปแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบว่าเราก็จะได้พบเนือ่างรอื่งนี้ ในขณะที him, like dream, ่เรากำลัปฏิบัติอยูปฏิบัติไปปีหน้าปีหน้าเปีหน้าปีหน้าเนี่ยไอสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นองค์ทูปเนี่ยมันเกาะลกน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงอ่างบางทีที่เราเห็นนะแบบน้องโป้พ่อเท่าแม่แต่นที่อยู่ที่มาดเนี่ยแ่บก็เพียรปฏิบัติมาบางคนก็คนมีอายุแล้วลูกก็เสียชีวิตไปแม่ก็อยู่ที่มาดเป็นหลานไปเลยเนี่ย เราพบว่าท่านี้พองมองย้อนไปนะโอ้คนเฒ่าคนแก่พว้นี้ก็ดีด น, นะเพราะว่าได้คือแบบอยู่วัดมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ได้ทำกุศลนะเนี่ยการที่เหมือนกับบางทีเราเปรียบเทียบกับคนเฒ่าค น, นแก่ที่อยู่นอกวัดนะอาจจะปรับเป็นความแใกระลูกรกระเต้าเลยนะจะไหมแต่ว่าี่โอ้ดีนเวลาที่คนใช้นะนก็ใช้เป็นการปฏิบัติ อย่างนี้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นก็สร้างคุโสไม่เปทำให้คนอื่นเหมือนกับว่าเป็นทุกข์เป็น น, น, น้อยอะไรตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนได้มองเห็นว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเวลาที่เราใช้ประโยการปฏิมา ต, ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับเป็น เ, เอาเวลาที่เราเคยทิ้งูุ้้งทิ้สร้างเอาเนืาที่เราเคยไปทำเรื่องงานที่ไม่เห ม, มาะสมเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราก็มาปฏิบัติการแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่เราองเนี่ยก็ได้นัดเร า, เ า, ราก็ได้ว่าการปฏิบัติของนานเร่งรอนระดับผลของการปฏิบัติ ก, ก็ระดับลาไปแลวไม่ก็คิดว่าการเดินมันเส้นทางนะที่เป็นเส้นทางทางงแลแล ม, ททาามตรงนี้เนี่ยพวกเราเองเห็นกัวเมื่อหลั่ที่ตเราทำความเพียรตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้เดินบนเส้นทางทางแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่า เส้นทางนี้เนี่ยจะเป็นจบลงตรงนั้นความที่แน่ๆเรามั่นใจนะว่าถ้าเราเปฏิบัติธรรมนะคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวตนี้การที่เราความมีสติต่อเรื่องราตวตา่างๆจะเป็นรูปแบบการปฏิบัติก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ต่อชีวิตปัจจุบันก็ดีจะเป็นการาเขาาร้าไปอ่านหนังสือคุ้นๆนี้เนเราก็จะให้ข้อดีก็เรียกว่าเข้าไปใน้น เข้าไปสู่เขาเรียกว่าการจีรณาเห็นความเป็นไปของใจเรานะผ่านการอานนัสือเี่ยวกับคำว่าอาการส่วนวมเป็นคำคำหรือว่าผ่านกา ร, า ร, าาการทำจิตนุจิตันนีนะ้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พาพวกเร า, าเนี่ยไปสู่เขาเรียกว่าคามรูทุกเนยะด้วยกันเนาก็ให้พวกเรกาเ่ได้นำใจปฏิบัติกันแล้วก แย่ที่หลวงพ่อเสีรบอกนะต่าหลงไม่พาหลองที่ิดทางเนี่ยพวกเราไปทุสิ่งที่พ่อนะเป็นความจริงว่าทำตหลวงพ่อไปได้หล่าคิดว่าวิตหลวพ่อเนี่ยก็คงไม่เป็นอื่นกันก็ขอให้พวกเราเนี่ยั่นใจมาวนนี้เราเป็นอยู่เป็นพวกเราลองดูลองดูลองพิจารนะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็มาจะเป็นจิตอนุจิอะย่งไรบีเนี่ยลองดูนะเราก็จะ รายละเอียดของกายรายละเอียดของใจที่เรียกว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่การเป็นธรรมที่เกิดขึ้นทย่ใจเห็นเหตุไปเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเห็นธรรมเรากเข้าใจธํรมากขึ้นเข้าใจธรรมมากขึ้นชี้เอาก็ตรงที่ตรงทางมากขึ้นนะได้ก็เรียนร้การยึดติดก่อราจะดำเนินไป ดูว่าปฏิบัติไปแล้วมีเกิดผลจนไกลในใจในใจเนี่ยเราต้องสังเกตนะคเราจะสัมผัสไ้เองว่าปฏิบแล้วทุกเงนลดลงหรือทุกเงนเข้าเดิมอทุกเงนเพิ่มขึ้นถ้าเราเห็นว่าทาแล้วทุกเงินลดลงเขาแปว่าปฏิบัติูถ้าทแล้วมันทุกมากกว่าเกก็แปลว่าปฏิบัติผิด ถ้าทำแล้วพวกมันเท่าเดิมอันนี้ก็ดีไม่เลื่อนอันก็ไม่นี้เท่าเดิมถึงนด้ดีแต่บางทีก็ก็แแอาช่วงนะบาช่วงเราเลิกเจอตรวจสอบที่มหาก็เลยไม่ผ่านบางช่วงก็ชีวิตากข้นดวี่ตอนสุดปีก็ปฏิบัติไม่ปฏิบัติรู้สึกดีเหมือนเดิมแต่ก็วันนี้ทไปได้นะ คืออยู่กัว่าเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละเวลาเป็นแบบไห น, นแต่ถ้าเราเห็นว่าเรามีต้นมือตือการเตือนสติหมายใช่ว่าเหตุปัจจัยจะมาบวกหรือลบจะดีจะ้ายอะไรเข้ามาถ้าเรามีสติเราจะรบับมือกับมันได้รับมือโดยการที่ดูเขาสังเกตเขา เห็นเขาเกิดขึ้นเห็นเขาตั้งอยู่เห็นเขาจาะไปเทื่อไรที่เรามีปัญญานะมันจะไม่มองว่าอิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อใจกับใจเป็นเราะมันเป็นเราสูบเป็นเราพุกเราดีเราไม่ดีเราคิดดีเราคิดไม่ดีมันอันนี้ยังเป็นถ้ายังมีความสึกเป็นเราอยู่ถ้ายังไม่เข้าใจความจริงแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไรเราจะเห็นว่า มันเป็นงแค่สิงที ay. Ay ่เกิดขึ้นต่อกายสิที่เกิดขึ้นกับใจมันถ่ายทอดต่อไปเราออกไปจากกายจากใจได้เมื่อนั้นแหละอะไรจะเกิดขึ้นมานะป็รับได้อายเจ็เจ็บก็เป็นเรื่องของกายอายแก่ก็เป็นเรื่องอายกายจะตายก็เป็นเรื่องของกายใจคิดดีก็เป็นเรื่องของใจใจจะคิดไม่ดีก็เป็นเรื่องของใจ ใจจะสมบก็เป็นเรื่องขใจใจจยฟู้งซ่าน้าเป็เรื่อขงของใจไม่ใช่ร่วงของเรานี่ตือนตระหนักเลยนะเราภาวนาไปการมิสติจะทำให้เราเป็นผู้ดูนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับใายกับใจไม่เอาไม่เอาความหลงคิดที่คิดว่าเป็นเรานะไปยิดเนะพราะนี่คืว่าเดียร์ยนะ่ออุปาทาน ขันท่าข้าคือเก e ิดทุกขปาทานคือคือันที่หลมคิดไปคิดไปตัดสานั่นหมายว่าขันตู้ตู้ก็คือร่างกายเป็นเราเวทนาความสุความทุกข์ความเฉยเป็นเราสัญญาความจำความระลึกจับได้หมายรู้เป็นเรานะ สำคัญคือการตรับแตกต่างเป็นที่ดีที่ไม่ดีที่เราเป็นเราหรือการรับรู้ที่เรื่องวิญญาณนั่นกเป็นหนึ่งใ่าประมาณดีเลยนะแต่ตอนทุ่งเกิดเพราะว่าเราไปสาคคำผิดนะคิดว่าที่ที่เกิดขึ้นในในขันข้างห้านะั้นเป็นเราการวิญญาณคือถ่ถอนความเข็มคิดว่าขันนันไม่ใช่เรา ก็มีทิ้ขันแต่ขันก็ยังมีอยู่นะนะขันทั้งาจะเป็นปุถุชนจะเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหัก็ยังมีขันหน้ามาเดินเพราะขันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมนุษย์ก็มีขันหน้าขันอยู่แค่นั้นเป็นธรรมชาติแต่ผู้ที่มีธรรมะก็จะธรรมะคือไม่ทิ้ขันก็แค่นั้นนะแต่ยังมีขันอยู่น แต่คนที่ไม่เข้าใจธรรมะก็เลยเปลงยึดในขันก็เลยสุกก็เลยทุกตามขันตามตามที่เขาแสดงนะมีสติแค่ถ่าย่อนความเห็นผิดไปจากจิตใจก็แค่นั้นแหละก็ลองวิสุทธ์ดูเนาะเราวิสุทธ์ดูว่าถ้าเราทำความเพียนถูกต้องทำความเพียงมากขึ้นนะ มันจะถ่ายของความคิดนะที่คิ ด, คดว่าเป็นเราเป็นของเรานะเป็นตัวตนเป็นความคิดของเราออกไปได้มากไม่ขานาดไ้นถ้าไถ่ของได้แล้วมันสุขหรือคิดเบาคุ้มไหมมันทุกเข์ก็จงไม่นะให้เราลองคิ่สุดตรงนี้ดูนะคิดสุดตรนี้ <c oughs> <c oughs> ในที่นี้มีใครยังไม่เคยตื่นปฏิบัติไหม ตอบคนตอี่ชายไปไปยกไ่ใช่ไปไปฝึกฝึกที่นีที่ไหนก็ได้ปกวนะถ้าใครปนังยกหนึ่งเกะก่อนตอบคนนี้ยก่เกเหน้าจะ นั năm, yeah. uh. okay. <c ười> <c ười> ่งยกมือสิบสี่จะบ่าทำรู้สึกตัวกับมันใกล้เลยนปตึกเนี้ยตากแดดก่อนนักให้มันรู้ตัวเขาเอามือวางไว้ที่หัวเข่านั่งสบายสบาย รู้สึกว่ากำลัง น, นั่งอยู่ไหมรู้สึกรู้สึกว่ากำลัง น, นั่งเห็นเห็นเห็นร่างกายกำลังน่งใครเป็นคนที่รู้สึกว่าร่างกายเรากำลัง น, นั่งอยู่<ม>ในะอันนี้<ม>ที่เรียกว่ากายเข้นกายนั่งใจเป็นคนคอ ย, คอ ย, คอยครู้นี่อันนี้ยถ้าเราเข้าใจมันจะมันเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจกายมันนั่ง ใจรู้ไแต่จริงร่างกายันก็มีตลอดเวลานะแต่บางทีคำว่าเราไม่รู้สึกตัวหรือหลงไปก็คือว่าเรานั่งอยู่แต่ใ จ, ใจไปคิดเรื่องอื่นไปคิดที่ถึงเรื่องงานไปคิดถึงเรื่องที่บ้านไปคิดอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่รู้ตัวการรู้ตัวก็คือว่ารู้ว่าตัวกระดังทำอะไรยอยู่ใช่ไหมเนี่ยรู้ว่ากระดังนั่งอยู่รู้ว่าเายักหน้าอยู่ รู้ว่าหายใจอยู่นะนี่คือการรู้ตัวแต่ให้รู้ตัวแบบทั่วพร้อมให้รู้สึกถึงร่างกายทางด้างกายเขากำลังทำอะไรแต่มาจะเด่นแค่บางอย่างเด่นการหายใจเด่นการพยักหน้าหรือว่าต่อไปจะเด่นที่การเคลื่อนเคลื่อนไหวมือนะก็ให้รู้สึกแบบรวมเป็นหมด นั่งสบายๆลองเอาคลิกนี้ข้างเดียวก่อนทำข้างเดียวก่อ มันก็รู้ของมันมันกระทบเราก็รู้ของมันสบายสบายลองเปลี่ยนมือปะ่ะเปลี่ยนสลับข้า ลองอันนี้วางเฉยๆคือตึเอาเอาข้างไหนก็ได้เอาไปไว้ข้างหลังเอามือข้างไหนก็ได้ไว้ข้างหลังข้างอนนี้มือกลางหรือแดแบงทำไมมันรู้ตาเราไม่ได้เห็นอะไรมันรู้ใจมันรู้นะ ลองกัมเลยสิดูไหมกัมเราลองกัมแน่นๆกัมแน่นๆเลยมันสบายไหยไม่สบายดูนะตัวไม่สบายอ่าลองคลายบันมาผ่อนสบายใจสบายไหมตอนนี้สบายนะยนะอันนี้ก็อันนี้คือ ใจที่เป็นตัวรู้สึกเนะี่ยมันจะดูนะเช่นบางทีเราการเคร่งแน่นก็คือมันเราทำร่างกายมันเครียดเนาะจิตใจก็เลยเครียดตามไปด้วยเข้าใจไหมแต่ถ้าทำสบายสบๆกล่องสบายๆจิตใจก็สบายตามไปด้วยอันเนี้ยอันนี้นลองตัวอย่างนะคัอันนะนี้จะเหมือนกันารโยมถ้าสมมุติถ้าโยมทำแบบเคร่งเครียดจริงๆร่างกายมันเคร่งเครียดจิตใจก็จะถอยเครียดตามไปด้วย นั้นเราก็ต้องสังเกตดูว่าถ้าเราทำแล้วมันเครียดก็ต้องผ่อนคลายอยกมือแล้เครียดแล้วก็ยกให้มันสบายขึ้นอะแบบนี้บางทีเราก็หน้าตาเราก็เครียดเอาจริงเราจังจิตใจก็เลยเครียดตามไปเลยนั้นปฏิบัติทำไม่ต้องจริงจังไม่ต้องเครเครียดสบายสบายแต่บางทีมันก็เผลอไปจริงจังอนะเผลอไปจริงจังก็เอรู้ตัวว่าจริงจังแล้วก็ผ่อน ไปสบายเนาะพลิกมือขวาจะแขงรู้สึกตัวยกขึ้นรู้ตัววางที่ท้องรู้คือรู้การเคลื่อนไหวนะพลิมือซ้ายาจะแขงรู้ตัวยกขึ้นก็รู้ตัววางทัดมือขวามือขวาเลื่อนขึ้นรู้สึก ย่ อ, อข้างๆรู้สึกตั้งลงหัวเข่ารู้มลงรู้มือซ้ายเยื่อนขึ้นย่ อ, อ ข, ข้างตั้งลงหัวเข่าคัามลงไม่ต้องทำช้ามากทำให้พอดีทให้ไม่ต้องช้ามากรู้เป็นครั้งไปพิกรู้ ยกขึ้นหือวางหรอพิกหรยกหือวางหรอเลื่อนขึ้นหนูย่อขา้ามหรือต้นหรือเลื่อนขึ้นแต่ทีนี้จะโยมสามคนนะลองแค่ไม่ต้องทำอะไร แค่ดูอาตมาดูเ เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นการเตลืนไว้เห็นไหมตามที่ผูมรู้สึกเห็น ส่วนที่เคลื่อนไหวนะนะครับหรือโยมอาจจะรู้สึกว่ามายกมือเป็นธรรมชาติก็คือมันอาจจะเป็นเพราะใจที่มันเป็นธรรมชาติก็เลยยกมือแบบนี้นี่นี่คือโยมดูคนอื่นโยมก็จะเห็นแบบนี้แต่นี้ลองพอเราเคลื่อนไหวตัวเองก็ลองให้รู้สึกเหมือนดูคนอื่นแบบนี้เพราะยังไงรู้สึกตรงนี้รูปที่กาําลังนั่ง รู้สึกถึงรูปที่กําลังเคลื่อนไหวหรือรู้สึกเื่อยว่าขนาดนะจิตใจมั น, นมันธรรมชาติไหมหรือมันจริงจังเกินไปให้เรารู้สึกแบบนี้นะดูดูตัวเองเหมือนดูคนอื่นเราไม่เคยดูตัวเองเหมือนดูคนอื่นสักทีเราคิดว่าเป็นเราจริงๆสักทีเพราะว่าเราคิดว่ามีรูปของเราใจของเรามันก็เลยถ้ารูปมันสุขรูปมันทุกข์ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสุขต้องทุกข์ตามมันแต่ถ้าเราลองดูคนอื่น อาจมาที่จริงผมอว่าถ้ามาทําแล้วเครียดแต่ถ้าโยองดูเฉยๆยองก็จะไม่เครียดตา่างแต่ถ้าโยอไปตัดสินแวดนนี้มันไม่ชอบเราถึงรู้สึกว่าเราถึงจะทุกข์ไปด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราดูเฉยๆนะเหมือนเราดูคนอื่นที่เราไม่รู้จักไมก่ที่เราไม่สนใจเราก็เขาจะสุขเขาจะทุกข์เขาจะดีไม่ดีเราก็เฉยๆได้แต่ถ้าคนนี้เป็นลูขนกของเราเป็นญาติของเราเราจะสุขจะทุกข์ตามเขา อันนี้ก็เหมือนกันลองดูรูปลองดูรูปที่เราคิดว่ามันเคยเป็นเราเนี่แหละแต่ถ้าดูเฉยๆมันเจ็บก็เจ็บของรูปเนื้อของรูปเจ็บก็แค่เปลี่ยนท่าหรือใจมันคิดไม่ดีก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราสังเกตดูมดูคนอื่นขณะที่ทําแบบนี้แหละนะแต่แต่ตัวดกักอาจจะดูที่รูปที่เคลื่อนไหวเป็นหละันะแล้วทาเมื่อไหร่ที่ใจมันเผลอไปคิดก็แค่รู้พัน ก็ไม่ว่าจะคิดดีไม่ดีก็กลับมาหาลูกก่อนกลับมารู้สึกถึงลูกที่เพิ่งไหวไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาทำไมถึงคิดดีคิดไม่ดีไม่ต้องนะทำไมถึงคิดแล้วทำไมถึงุ้งสั้างเรื่องของมันแค่กลับมารู้ตัวก่อนการการสร้างจังหวะมี่คือคล้าคล้ายเป็นะหลักให้เราได้กลับมานะเหมือนเราว่ายนะ้ำไม่เป็นเราก็ต้องมีวิโฟไม่เกาะ มันลอยตัวได้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันะจิตใจมันปรุงสร้างไปเยอะมีคิดนะั่นคิดนี่หลักก็คือการที่เคลื่อนไหวนะ่ะไม่เป็นหลักในการอยู่ต้องทํำดูนะลองทํานะครับเร็วชาร์จตามจังหวัดที่เราที่ว่าพอดีนะแต่ถ้าหักจริงๆก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะแล้วก็ให้มีจังหวะหยุดนะที่ได้จังหวะ นันกเคลืนไห ับตาได้นะคืมยืนตาจะเหมือนแต่เราไม่ต้องใช้ตามองจะให้ใช้ใจรู้สึกมองมองไปข้างหน้าตรงไหนที่เรามองแบบสบายๆนะมองแบบมองผ่า น, านมองมองผ่า น, านใจมันจะสบาย กายจิตใจตอนนี้เป็นยังไงอะใจตอนนี้สบายเพราว่าเท้าค<ห> น, นนี้เช<ะ>้าดีใจสบายกับเท้าชายงเป็นยไงไหนงเท้เท้าชาและใจ ที่จริงเมดก่อนนั้นนี้เท้ามันก็ชาอยู่เนะแต่พอใจเรามันมันรู้สึกกับตัวนี้ไอความชามันก็ยังมีอยูแต่พอใจเราเปลี่ยนเครื่องอยู่มันก็ทําให้ความกังวลนั่นเนะี่ยมันน้อยลงแต่พอเลิกทนะําเป็นไงใจใจก็เลยมันอยู่ที่เท้าที่ชายังไงอันนั้นเนี่ยวิธีบางทีคนที่เขาเจ็บเช่นผู้หญิงจปวดท้อง หรือบางคนพอป่วย ห, หนักก็อาจจะเจ็บส่วนไหนส่วนหนึ่งมากแต่ถ้าใจไม่มีกรรมฐานไม่มีเครื่องอยู่สักอย่างมันก็จะไปอยู่กับสิ่งที่ปวดสิ่งที่เจ็บนะอันนี้วิธีเปลี่ยนอารมณ์ก็คือว่าอยเช่นเราปวดท้องหรือปวดขาเนะท้าชาพอเรามันอยู่กับสิ่งที่เราทำบางอย่างใจมันก็จะมีปิดทุ้กเรื่องที่มันปวดเจ็บแต่เรารู้อยู่นะว่ามันปวดอยู่แต่ความทุกข์มันจะลดลงไป เปอร์เซ็นต์ของการปวดการเจ็บมันจะลดลงไปอันนี้ก็เรียกว่ามีเรามีสมาธิหรือมีสติครับนะมันจะช่วยลดความปวดลดความเจ็บแต่ก็เปลี่ยนได้นะพอถึงเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมีสติก็คือว่า อ, อก็ตั้งใจเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนท่านั่งได้ให้มันหายชานั่งนั่งเ อ, อเปลี่ยน เนี่ย น, นะแล้วเราเปลี่ยนมีสติเดีย๋ยวสักพักมันก็หายแต่สักพักก็ ป, ปวดใหม่อันนี้เราต้องยอมรับเรื่องของร่างกายมันมีความปวดมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเราจะฝึกแล้วมันจะต้องไม่ปวดไม่เจ็บนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อตรงนั้นแต่เราฝึกเพื่อแยกเหตุว่าไอ้ที่มันเจ็บเปนเรื่องของกายที่ปวดเรื่องของกาย ถ้าใจเรามีสติเราจะดูเฉยๆว่ามันเป็นเรื่องที่มันร่างกายมันปวดร่างกายมันเจ็บแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะมีคิดแต่ถึงสิ่งที่เจ็บพอคิดมากๆมันก็เลยทุกข์ใช่ไหมครัอันนี้แหละหลักก็คือพอเราเอาจิตออกมาจากความคิดตรงนั้นมันก็เลยไม่เจ็บมันก็เจ็บอยู่นะแต่มันไม่ทุกข์คือร่างกายก็เจ็บแต่ใจไม่ทุกข์มันจะเห็นนะมันจะแยกน แลตอนที่ปฏิบัติ 7. รู้สึกยังไงไคิดมากมั้ยปฏิบัติก็จะรู้จะูกัวผิดกลัวอะไรอลัวเนาะก็ได้เก่งก็ได้ก็ได้ตั้งใจมากไปกลัวผิดนะปฏิบัติไปคิดแทรกคิดเยอะไหมยอ มันยาวไหมไม่ยาวทำไมไม่ยาวกกนเีย น, นะแต่ถ้าเราไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติความคิดก็จะยาวนะคิดก็จะยาวจนจบเรื่องจบเรื่องนี้ก็ไปต่อเรื่องนั้นแล้วเราเห็นว่าจิตมันเป็นธรรมดาที่มันจะกคิดแต่พอเรามีลักกรรมฐานทักอย่างเนะี่ยมันจะทาให้เราตัดความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจนะเรียนว่าร า, ราแค่กลับมาสนใจ ว่ากำลังทํำใรอยู่ความคิดก็ตัดมันไปเองนี่คือนี่แหละคือผลแล้วนะก็คือสมมติโยมสมมติบางมีเรื่องที่ต้องคิดต้องคิดต้องเครียดใช่ไหมเรากลับมาอยู่ตรงนี้ได้มันก็จะไม่เครียดมากหรอเพราะตอนแรกอาจจะเกิดจากความกังวลนิดหน่อยพอเราคิดมากขึ้นก็เลยเครียดเลยกลัวอะไรต่างๆตหลายพัฒใช่ไหมพอเราคิดมากคิดยาวแต่ถ้าคิดสั้นๆนะเช่นไม่พอใจก็ ให้มีพอใจยังไม่ถึงขั้นโกรเพราะว่าเราจะตัดหใช่มอยากได้เ ย, เยอะๆก็เห็นแล้วมันอยากพอไม่คิดต่อมันก็เลิอกอยากอยากอีกก็ไม่เป็นไรก็ตัดใหม่หรังอยูาย่างได้นะาใมาจอไม็วสดา้ใช่ใช้กรรมฐ า, านทุกอย่างเป็นแค่อุบายเป็นตสบายให้ให้จิตกลับมา รู้สึกกับเนื้อตัวที่เว่ารู้สึกตัวก็คือรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรอย่าบางที่ก็ให้รู้สึกถึงการหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกถึงคล้องพองคล้องยุกใช่แต่อาจจะมีมต่างๆอยู่หน่อยถ้าถ้าแนวที่เน้นความสงบหรือแนวสมถะส่วนใหญ่จะตั้งใจมัน่นอยู่กับแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคล้ายๆเช่น ถ้ากำหนดเช่นโมเลกุลก็จะอยู่แต่คําบริกรรมไม่ไม่ไ ม, ไมีส่งจิตไปสนใจอยู่รู้อย่างอื่นหรือรู้อวัยวะก็จะรู้ชัดไปไปเฉพาะส่วนเช่นท้องก็จะรู้เฉพาะท้องไม่สนใจอย่างอื่นลมก็จะรู้เฉพาะลมหรือถ้ารู้มือถ้าปิดสนใจเพ่งจ้องแต่มือก็เป็นสมถะเหมาอนกันแต่ถ้าแนวจเจริญสติเพื่อเราเน้นตัวสติเป็นตัวนําหน้าเนะี่ย จะมีคำว่ารู้สึกตัวทั่วพรอมแต่มีการเคลื่อนไหวที่เอีบยบดย่อยที่มันชัดขึ้นมาเฉยๆอย่าง โ, โยมโยมจะมาก็เห็นทั้งตัวแต่ก็เห็นมือมาเคลื่อนเลยนะแต่โยมก็จะเห็นใบหน้าเห็นร่างกายทั้งหมดไม่ได้จ้องเป็นแค่มือเฉยๆใช่ไหมถ้าเราจ้องแค่อย่างใดอยานึ่มนะันเราจะโดนสดนะังกัดเหมือนโดนมดนให้สังกัดจิต น, นะดูแต่ลูกตุ้ดูแต่เลี้ยวนะ เราก็จะสงบจิตใจเรา ก, รก็จะได้ใช้ความสงบเฉยแต่ถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้องเนะี่ยเราจะรู้กายทั้งกายแบบสบายๆไปเรื่อยเพราะจริงจุงดหลักก็คือว่าพอรู้สึกตัวตรงนี้แล้ ว, ลวจิตมันจะเปิดไปคิดแล้วก็รู้ทันมันก็มันก็จะกลับมาอยู่กับเมื่ก่อได้เลยแล้วพอเราทําแบบนี้ไปไยๆมันจะประยุกต์กับอย่างอื่นเนะี่ยเรายกมือ ต่อไปมือเนี้ยก็คือมือที่ไปกวาดมากมือนั่นก็คือมือที่ถือสบู่มือที่แปรงฟันใช่ไหมฮะก็คือจะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยหรือว่าชีวิตจริงที่มันบางทีนั่งรถไปก็เฉยไปคิดแต่พอเรามีสติให้เห็นจิตมันเฉยไปคิดละก็กลับมาอยู่กับการนั่งใหม่หรือถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วมันคิดมากเราก็ทําแบบนี้ยนั่งรถ นั่งรถเยอะก็ทําแบบนี้ก็ได้มันคิดก็ไม่ไม่เป็นไรคิดแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่คิดแล้วกลับมาเพราะนั้นกรรมฐานนี้ก็เหมือนเป็นอุบายให้ให้จิตมันมีมีหลักในการกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างมันก็อเทียนเองบางทีก็ไม่ค่อยอยากให้นั่งนิ่งๆบางทีนั่งนิ่งๆแล้วมันจะคิดคิดสร้างง่ายเนาะหรือถ้าเรานั่งนิ่งๆแลมันเจ็บเท้าอมัน มันชาจิตมันก็จะไปอยู่สติที่เรเจ็บใชถ้าไม่ไปตายไปคิดก็ไปมาจมอยู่กับอารมณ์ใดที่มันเจ็บมันทุกนั้นพอการเคลื่อนไหก็คือการปลุกสติให้มันตื่นขึ้นมาปลุกการม้วนงูงูปูทำสบายๆท่จริงนักอะไรก็ได้แต่สิบสี่ท่าเป็นเนเป็นอุบายให้ ถ้าเรางั่นก็ทําถ้าอยู่ที่อื่นที่เขาไม่รู้จักวิธีนี้เราก็ทําแค่พลิกมือง่านพลิกมือกว้างคืนนิ้วกำแบบมือแรงเหมนมีอะไรแต่ถ้าอยู่ที่นี้ก็ทําแบบนี้มันก็มันก็ดีอย่างมันเป็นเรียนบทที่เราไม่เคยทํานะบางทีก็เห็นใจที่เรากังวลใจที่มันกลัวผิดใจที่มันอยากจะดีนะก็ได้แล้ว พอเราเห็นไหมใจเรากังวนนะเราก็ทําผ่อนคลายเออเห็นว่าเราเครียดเกินไปเนาะก็ยิ้มนิดนึงให้ผ่อนคลายเห็นว่านั่งตึงเกินไปสมมตบางคนนั่งตั้งใจก็เปลี่ยนท่านนั่งนิ่งสบายขึ้นกันไดนะสมมติก็สบา ย, หนะบบายเห็นว่าเราผ่อนแอกินไปแล้วก็ยืดเช้นนะ่เราจะรู้สึกเลย ตอนเราไปทําอย่างอื่นยงก็จะเห็นเลยว่าบางทีเราก็กวาดบ้านเร็วอยากให้เสร็จก็ใจก็ร้อนใช่ไหมบางทีเราก็กวาดไปไม่รู้สะอาดหรือไม่สาอาดแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้า ร, ารู้สึกตัวหนอยก็จะกวานปกติใจก็จะอยู่ตรงนกับตัวกินข้าวก็เหมือนกันก็จะรู้สึกเลยว่าเรากินตักจะว่ากินจริงๆไม่รู้สึกถึงการเคี้ยวอแต่ถ้าเรารู้สึกตัวกินก็สติก็อยู่กับการกิน การเคี้ยวมันก็จะพอดีอันนี้มันจะกำู้ตัวมันจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตมันจะให้ค่อยเกิดจความสมดุล น, นะไม่เครียดไม่เล่งบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีคนที่ว่าตัวเองมีสติไม่ดื่มตัวไม่หก ล, ล, ล้มไม่หลมลืออะไรแต่นั่นคือกติทางโลกนะแต่ถ้สติในทางธรรมะเนี่ยบางทีใจมันร้อนโดยที่เราทําในรเร่งเร่งนิดหนึ่งนะเดินเร็วก็ดีบ ใจมันร้อนนี่ขาดสติใช่ขาดสติในทางธรรมะเป็นทางโลกอาจจะไม่สะดุดล้มไม่เป็นไรขับรถแรงกับรกเร็วเพราะความขน อ, ของนนะองนั้นนะก็เพราะใจขาดสติอาแต่ถ้าต้องใจจะแซงแบบมีสติก็แรงก็เร็วได้ไม่ใช่ว่าขาดสติแต่หรือเราต้องใจเจรินเร็วก็จะต้องรีบแต่ใจไม่ได้ร้อนด้วย จะร่างกายรีบแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยสามารถทำได้เพราะเรารู้ตัวรู้สึกไหมกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมเก่งเก่งทำในสิ่งทห่เก่งจริงๆเพรอะว่าร้อยมัเจ็บนิดห่งเอาเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่งกบนไหนกสบาย เปลี่ยนได้นะบายขึ้นอย่างลองกลับมาเคลื่อนไหวมือเลยลองพลิกมือลองพิกมือนั่งแบบเดินก็ได้นะแล้วก็ลองพลิกมือก็ได้นั่งนนั่งมือ ขับสเส้นเ่ขับเส้นหายใ จ, จบยสบายๆนะั่ิ๊กมือแน่นๆรู้สึกหายใ จ, จบยสบาย ว่ารู้สึกว่าล่างกายัดอยู่รู้สึกรู้สึกนะลงสึกว่าร่างกายกำลังเดินอยู่กับที่เดิไหมเิอยู่บที่เิแบบธรรมดาอืมธรรมดาใครรู้ตัวว่าเดินเกรู้สึกหม เดินอย่างนถูก็ิรเลยลอเดินเยอะสะบักะบ้านนะอเดินขับไปกับมาเดินจุ่คนนะเก็บเนื้อที่หน้าข้างหลังก็ได้ขอโตก็ได้เดินาไกลข้ามับตัวก็รูเดินกลับไปก็รู สังเกตดูนะเระาโคมขนาดไหนพอดีโคมขนาดไหนไม่เหนื่อยเราปราับหน้าพอดีเดินช้าร ห, า ร, หาารือเร็วขนาดไหนพอดีให้สังเกตแต่คนอาจนะมีความเร็วความช้าอาหารข้ารสั้นข้าวยาวผ่างกัแต่เราให้รู้สึกว่าเดินตรื่องการฝอคาย ปลอดภัยร่างกายเดินแล้วจิตใจกนรับรู้ได้การเดินไม่รู้สึกว่าร่างกายก็เดินนะอย่าเจ้าอย่างแค่ฝ่าเท้าอาเพ่งอ่งแค่ขารู้สึกร่างกายจะร่างกายเพระเราเอยู่เมื่อดูคนอื่นก็เลย ตัวร so ่างกายก็เดินใจเป็นผู้ดูรางไายเคลื่อนไหวติตใจเป็นผู้ดูยิ่งคิดไปเรื่อยๆหาก็กลับมารู้ว่ากลับมาดูว่ากำลเดินอยู่นกลับมาหาฐานตอนนี้ฐานที่ตั้งของมันคือการเดินกลับมาอาฐานก็คือการเคลื่อนไหว คิดไปก็ไม่นีอะไรก็กลับมาใหม่ทะ่จริงพวกเราเดินกันได้ทุกคนนะแต่พองีผนเข้าไปเดินเราองคิดะเราไม่รู้ตัวว่าเดินเลินะแล้วก็แค่กลับมารู้ตัวว่าเดินมันจะเห็นว่าใจมันเปิดคิดแต่ก่อนคิดไม่รู้ตัวว่าคิดก็จะไปอยู่กับคว่งคิด แต่พอมารู้ตัวว่ามันหลับเผลอมันมีเหตุวัาวใจเกิดไปคิดอันนี้การเหตุวัาใจเกิดไปคิดน่ยคือการมีสตินะรู้ทันนะรู้ทันการลุ่นแตกในจิตในใจแต่ต้อเห็นว่าการคิดมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียแค่ความคิดเป็นเพียงแค่อาการของจิตมันจะเห็นหน้ากายก็สวดเลย การกำเนิดใจอะไรเพิดงไปนะก็เรื่องของใจนั่งดูเห็นกายก็ทํางานเห็นใจก็ทํามาเห็นที่ไหนทํางานที่ไหนทํามาที่ปัจจ <gasps> <compare weil> hey, so? so? ุบันเห็นตื <pled> ่นขึ <Ellis> ้นในปัจจุบันอะไรก็เห็นนะแต่แต <sal> ่ให้ต่าตัวแรกก็คือให้เห็นกายเห็นกาย ก็ทำงานเดกกายกำลังทอะไรก็ได้แให้รู้สึกัวรูุก์อแบบสบายสบา